ตอนที่สิบเอดข้าจะปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยยี่เยาเป็นฝ่ายหยิบมันมาพินิจ ด, ดูอย่างละเอียดก่อนเซียชิงจือคิดว่านางจะแย่งไปสีหน้าจึงแข็งข้างขึ้นมาทันทีหรือว่าทุกสิ่งที่นางชอบนังจิ้งจอกตอนนัวนี้จะต้องแย่งชิงไปให้หมดเลยหรืออย่างไรมือที่ถือผ้าเช็ดหน้าของเซียชิงจือกำแน่นอย่างลับๆแต่ยังคงฝืนยิ้มออกมาหากพี่สาวเย่ชอบเช่นนั้นก็นี่มิใช่สายประคำของท่านย่าข้าหรือ เย่ยา ย, ายนจมูกเล็กน้อยกลิ่นหอมประหลาดที่แสนพิเศษนี้ไม่มีทางที่นางจะจําผิดเด็ดขาดมันเป็นกลิ่นเดียวกับเส้นที่ทัญญาสวมติดมืออยู่เป็นประจำเจียนเจียและไปลู่เองก็จําได้เช่นกันต่างพากันพยักหน้ายืนยันที่แท้เย่เยามีได้มีเจตนาจะแย่งชิงมือที่กำผ้าเช็ดหน้าของเซี่ยชิงจือจึงค่อยๆ ค, ค, คลายออกใช่แล้วเจ้าข้าเซ้นที่หูหญินเท่าสวมอยู่นั้นชิงจือเป็นผู้มอบให้เองเยี่เย า, ยาถามเจ้าเป็นคนมอบให้หรือ เจ้าคะเมื่อครึ่งปีก่อนในงานวันเกิดของหูหญินเท่าข่าได้ติดตามทนายไปร่วมอวยพรได้ยินมาว่าหูหญินเท่าเลื่อมใสในพุทธศาสนาจึงได้มอบสายประคำนี้ให้สายประคำนี้มาจากร้านเจริญเป่าใจเช่นกันแม้จะไม่ใช่ของล้ำค่าราคาแพงอะไรนักแต่โชคดีที่หูหยินเท่าทรงโปรดเจ้าค่ะเท่าแก่พยักหน้ายิ้มตอบถูกต้องแล้วนี่คือลูกประคำหอมวิเศษแดนประจิมหากสวมใส่เป็นประจำว่ากันว่ามีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงด้วยขอรับบำรุงร่างกาย เย่เยา พ, พึมพำอย่างใช้ความคิดครูต่อมานางก็สงสายประคำคืนกลับไปในมือของเสี่ยชิงจือในเมื่อท่านย่ามีแล้วข้าก็จะไม่แย่งชิงของรักของผู้อื่นเสี่ยชิงจือยิ้มละไมนางรีบชำระเงินกับเท่าแก่แล้วประคองกล่องผ้าไหมที่บรรจุสายประคำไว้พลางเอ่ยกับหลินเซินด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานตอนนั้นท่านาเองก็ชอบมากเสียดายที่มีเพียงเส้นเดียวแบบนี้ได้มาอีกเส้นหนึ่งท่านนาจะต้องดีใจมากแน่แน่เจ้าค่ะหลินเซินเทียงพยักหน้าตอบรับเรียบเรียบเย่ยาแท้ขึ้นมาประโยคหนึ่ง แม่นางชิงจือตั้งใจจะมอบสายประคำนี้ให้หวางเฟยหรือเสียชิงจือพยักหน้าตอบรับด้วยความตื่นเต้นเยี่เยวหลีตาลงเล็กน้อยแสดงสีหน้าลึกลับทอว่ามีได้เอ่ยสิ่งใดต่อหลังจากเดินชมร้านจนเป่าใจจนทั่วในที่สุดเยี่เยวก็สงบสติอารมณ์ลงได้อย่างสมบูรณ์ลินเซิร์นได้จัดเตรียมเรือสำราญไว้ล่วงหน้าแล้วในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิเช่นนี้ทัศนียภาพช่างงดงามยิ่งนัก ดอกท้อริมฝั่งร่วงหล่นซู่ผิวน้ำลอยละล่องมาตามระลอกคลื่นส่งกลิ่นหอมกรุ่นมาเป็นระยะในขณะที่เซี่ยชิงจือกำลังเพลิดเพลินอยู่ตรงหัวเรือจนลืมตัวเย่เย่ากับหลินเซินก็นั่งอยู่ภายในห้องโดยสารเรือนางหยิบภาพวาดเหมือนสองใบที่เตรียมไว้ออกมาในเมื่อซื่อจือทราบว่ามีสายรับตันตีแฝงตัวอยู่ในเมืองหลวงเช่นนั้นก็ปลดรีบจับตัวคนผู้นี้ให้ได้โดยเร็วเถิดนางทอดสายตามองไปเองเทือกเขาไกลโพ้นที่มีเมฆหมอกสลัวรังดุมงดงามประการตายยังดีกว่าต้องทนมองใบหน้าของคนสมองป่วยที่อยู่ตรงหน้า ลินเซิรเหลือบมองภาพวาดแล้วเอ่อยอย่างแปลกใจสองคนหรือข้าไม่แน่ใจว่ามีกี่คนแต่ภาพวาดทั้งสองใบนี้คือคนคนเดียวกันยี่เยาเหม๋อลอยไปชั่วครู่นางเกือบจะมองข้ามปัญหานี้ไปเสียแล้วในชาติก่อนมีสายลับเพียงคนเดียวที่ลักพาตัวนางไปแต่นั่นมีได้หมายความว่าสายลับที่แฝงตัวอยู่ในเมืองหลวงจะมีเพียงคนเดียวดูถ้าตัวนางเองยังคงต้องระมัดระวังให้มากขึ้น สายลัผู้นี้เชี่ยวชาญวิชาแปลงโฉมบัณฑิตผู้นี้คือโฉมหน้าที่เขาแปลงมาส่วนโฉมหน้าที่แท้จริงนั้นข้ายังเห็นไม่ชัดเจนนะักหลินเซิร์ลเลิกคิ้วขึ้นพางชี้เปล่งภาพว่าที่สวมผ้า ค, คลุมหน้าเจ้าเคยเห็นเขาในสภาพคลุมหน้าด้วยหรือเย่เยาชงักไปสมองเริ่มหมุนวนอย่างรวดเร็วไม่เคยนางแสดงสีหน้าเรียบเฉยไม่ให้มีพิรุธแต่คนเราต่อให้แปลงโฉมเก่งกาจเพียงใดแววตาก็ไม่มีวันเปลี่ยนไปได้ข้าจดจําแววตาของคนผู้นี้ได้แม่นยํายิ่งนัก จึงได้วาดภาพตอนที่เขาคลุมหน้าออกมาลินเซอร์พิจารณาเปรียบเทียบอย่างละเอียดแววตาในภาพวาดทั้งสองใบนั้นเหมือนกันจริงๆที่แท้การชวนข้ามาล่องเรือชมทะเลสาบเป็นเพียงเรื่องบังเอิญเป้าหมายที่แท้จริงคือการจับคนสีนะเขาละสายตาจากภาพวาดและเงยหน้าขึ้นกลับพบว่าเย่ยามีได้มองเขาแต่นางกําลังมองออกไปนอกหน้าต่างชมทิวทัศน์ขุนเขาอันงดงามเขาจึงยกมือขึ้นโบกไปมาตรงหน้าเย่ยาว เย่ยยาวขมวดคิ้วจำต้องดึงสายตากลับมาทว่ายังคงหลุดตาลงตามซื่อจือได้รับความไว้วางใจจากฝาบาทถือกำลังทหารองค์รักษามหมื่นนายในเมืองหลวงอีกทั้งที่ทําการผู้ว่านครหลวงยังขึ้นตรงต่อซื่อจือโดยตรงซื่อจือคือผู้ที่มีโอกาสจับตัวสายลับได้มากที่สุดหวังว่าซื่อจือจะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อจับตัวสายลับให้ได้โดยเร็วนานๆที่จะได้ยินนางเอ๋ยชมตนเองมุมปากของหลิงเซินจึงยกโค้งขึ้นทว่าประโยคต่อมาของเย่ายาวกลับเหมือนน้าเย็นที่ราดลดลงมาจนดับบูบ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้าจวนกัวกงไปจนถึงผู้คนมากมายในจวนอ๋องซื่อจือควรเร่งเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในเมืองหลวงให้รัด ก, กุมยิ่งขึ้นที่แท้นางก็แค่กลัวจะถูกสายลับหมายหัวจึงได้มาเร่งรัดให้เขาจับคนก็เท่านั้นเย่เยาย้ำอีกครั้งสิ่งที่พวกตันตีเยี่ยเกรงที่สุดก็คือท่านพ่อพี่ชายของข้าและซินอ๋องพวกมันย่อมอยากสืบหาความเคลื่อนไหวของพวกเขาให้ได้มากที่สุดในตอนนี้ข้าเป็นทั้งบุตรสาวสายตรงของจวนกัวกงและยังเป็นว่าที่ซื่อจือเฟยของจวนอ๋องย่อมเป็นเป้าหมายททีีี่่ดดสสุของพวกายับ ในเมื่อเป็นซื้อจื่อที่ทูลขอราชองค์การพระราชทานสมรสด้วยตนเองในที่สุดเย่เยาก็เงยหน้าขึ้นจ้องมองเขาเช่นนั้นก็โปรดรับผิดชอบให้ถึงที่สุดด้วยหัวคิ้วของหลิงเซินกระตุกขุบขึ้นมาทันทีย่หนูคนนี้กําลังตัดพ้อเขาอยู่นี่นานางขุนเคืองที่เขาเป็นฝ่ายทูลขอพระราชทานสมรสจนทําให้นางพ่อยโดนหางเล่กลายเป็นเป้าหมายของสายลับจึงเรียกร้องให้เขารับผิดชอบความปลอดภัยของนางอย่างเต็มปากเต็มคํา ได้ในเมื่อนามีเหตุผลหนักแน่นเขาก็จะรับผิดชอบให้ถึงที่สุดวางใจเถิดเจ้าคือว่าที่หูหญินของข้าหากสายรับหมายหัวเจ้าขึ้นมาจริงๆข้าย่อมปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยอย่างแน่นอนมุมปากของเย่เยากระตุกคําพูดช่างฟังดูดีนักแต่จะทําได้จริงหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเย่เยายกถ้วยน้ําชาขึ้นพางเบือนหน้าหนีอีกครั้งก่อนจะกล่าวต่อยังมีอีกเรื่องหนึ่งหวังว่าซื้อจือจะช่วยจัดการอย่างสุดความสามารถว่ามาสิเย่เยาครุนคิดถ้อยคําอย่างระมัดระวัง ข้าทราบดีว่าท่าน อ, องกับท่านพ่อและพี่ชายของข้ามีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องการศึกไม่ว่าใครจะถูกหรือผิดข้าหวังว่าซื่อจื่อจะช่วยเกลี้ยกล่อมให้ท่าน อ, องใจเย็นลงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าให้ท่าน อ, องวู้วามจนดึงดันจะนำทัพออกสู่สนามรบด้วยตนเองหากไม่ปล่อยให้สิ้นอองวู้วามออกศึกเขาก็จะไม่ตายและความแค้นระหว่างสองตระกูลก็จะไม่เกิดขึ้นหลินเซินฟังจบก็จ้องมองเยี่ยยด้วยสายตาซับซ้อนจะรู้ได้อย่างไรว่าเสด็จพ่อของข้าจะวู้วามจนดึงดันนำทัพออกศึก เยี่ยรู้สึกปวดหัวตุบตการรับมือกับหมอนี่ช่างเปลืองแรงและสมองเสียจริงก็แค่คาดเดาเท่านั้นเยี่ยมองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อคลายความตึงเครียดข้าเองก็ทำเพื่อเห็นแก่ท่านอองในเมื่อตอนนี้มีสายและแฝงตัวอยู่ในเมืองหลวงก็ยากจะรับประกันว่าพวกเขาจะไม่ได้ข่าวคราวหรือล่วงรู้ความเคลื่อนไหวของทั้งสองตระกูลเรายานนี้ไม่ว่าจะทำสิ่งใดย่อมต้องระมัดระวังเป็นที่สุดพระกังวลว่าหลินเซินจะไม่ใส่ใจคำพูดของนางเยี่ยยจึงดึงสายตา ก, กลับมามองเขาอย่างจริงจัง เสื้จื่อฟังที่ข้าพูดอยู่หรือไม่ลินเซินถือถ้วยน้ำชาพางครุ่นคิดแม่นางน้อยผู้นี้แม้จะมีท่าทีเป็นศัตรูกับเขาอย่างรุนแรงแต่ดูท่าแล้วนางไม่ใช่คนที่จะทิ้งส่วนรวมเพราะความแค้นส่วนตัวและสิ่งที่นางพูดมาก็มีเหตุผลมากทีเดียวเพียงแต่ความแค้นฝังลึกที่ไม่มีปีมีครุยนี้มันมาจากที่ใดกันแน่ตกเมื่อครูน่นี้แม้สำหรับเขาแล้วจะไม่ได้เจ็บปวดอะไรนักแต่ก็เรียกได้ว่าไม่เบาเลยนางลงมืออย่างเต็มแรงราวกับจะเอาชีวิตจริงๆ เขาพิงถ้วยน้ําชาลงพางรูปแก้ม้างที่ถูกนางตกเบาๆมุมปากยกยิ้มบางๆก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่มีความหมายแฝงฟังอยู่ขอบใจเย่อๆที่เป็นห่วงเยี่ยเเองก็ลงมือไปเพราะความบู้วามหมอนี่ช่างเจ้าคิดเจ้าแค้นนักวันหน้าไม่แน่อาจจะเอาเรื่องนี้มาตามตะแยไม่เลิกราช่างพลาดท่าเสียจริงหากเป็นไปได้นางอยากจะตัดขาดความสัมพันธ์กับเขาเสียเดี๋ยวนี้แล้วหนีไปให้ไกลที่สุดเทียงไม่ถึงครึ่งวันเยี่ยเก็ถูกเขาปั่นหัวจนความคิดสับสนวุ่นวายและปวดหัวไม่หยุดแล้ว สิ่งที่ควรพูดนางก็พูดไปหมดแล้วหากพูดมากกว่านี้เกรงว่าจะทำให้เขาเกิดความสงสัยหากให้คนอื่นล่วงรู้เรื่องเหลือเชื่ออย่างการเกิดใหม่เขาคงจะหาว่านางเสียสติและคำพูดของนางก็จะยิ่งไม่มีใครเชื่อถือนางเหลือบมองเซี่ยชิงจือที่ยังคงออยอิ่งอยู่ตรงหัวเรือจากระยะไกลในใจของเย่ยรู้สึกไม่ยิ่งยอมอยู่ลึกๆ